หขาใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นเพียงตัวเดียวขานคูอยู่บนส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ต้นนั้นหญิงสาวเงี่ยหูสะดับฟังเสียงคร่ำครวญของมันน้ำตาจะพานไหลออกมาอีกใช้ปลายนิ้วปาดเช็ดแล้วสลับออกไปคิดอยู่ในใจว่าประเดี๋ยวคุยกับเสอเอิงเสร็จเป็นที่พอใจแล้วตัวหล่อนก็จะขอนอนพักทับรอยเข้าอยู่ใต้ต้นไม้ ตรงนี้แหล ะ, สะเสอิงดารินเริ่มขึ้นเสียงแผ่วเบาพยายามข่มสะอื้นไว้พวกเราเดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อจะติดตามตัวเขา น, น, า น, ขนั่นแหละนายรพินคนนั้นอะเอิงว่านายหญิงน่าจะตามทันนะเพราะแกออกล่วงหน้าไปก่อนแค่สามสี่วันเท่านั้นแหละโ น, น่นบายหน้าไปทางโ น, น่น เจ้ากระเรียงเดินตายชี้มือไปทางขุนเขาทมึนด้านเหนือที่เห็นเป็นทิวสลับซับซ้อนอยูอ่ขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะเราเดินตามทับรอยเข้ามาทุกระยะเราพบทุกแห่งที่เขาผ่านและพักพบแม้กระทั่งบริเวณที่สะเอิงถูกกระทิงเหยียบในป่าไผ่ร่องรอยการรักษาพยาบาลและซาดช้างร้ายกลาดเกลื่อน ที่พวกเขายิงลมไว้ทั้งที่ป่าไภ่และที่ใต้หน้าผาตะเคียนทองดารินพูดเนิบช้าโดยพยายามใช้ภาษาของชาวดอยให้สะเอิงเข้าใจได้มากที่สุดนันอินนั้นฟังนิ่งอยู่เฉยๆเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายจะพูดกันไม่เข้าใจกระจ่างนักแต่ตอนนี้แกก็ยังเงียบกริบเพราะนายหญิงพูดกเกลียงได้ดีเกินคาด เ, เจ้าเป็นคนเดียวในกลุ่มชุดแรกที่พบเห็นกับเขาซึ่งเหลืออยู่ที่ห้วยเสือร้องนี่เพราะเพื่อนของเจ้าสองคนคืออูถาและพระโต้ก็ได้ออกเดินทางไปคบเขาแล้วฉันอยากจะคุยอะไรกับเจ้าเป็นการส่วนตัวหวังว่าเจ้าคงไม่ขัดข้องนะเสะเอิงพยักหน้า เสอเอิงจะคุยกับนายหญิงทุกอย่างเท่าที่เสะเอิงรู้เห็นเกี่ยวกับพลานใหญ่ครับเพราะเสอเอิงเองก็คิดถึงแกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอืมลักษณะท่าทีของเขาล่ะเป็นยังไงมั่งตอนที่เสะเอิงพบนะ่ะเจ้ากระเรียงตะเคียนทองทำหน้าไม่เข้าใจนานอินช่วยแปลให้ง่ายขึ้นในความหมายของหญิงสาวมันจึงพอรู้เรื่องขึ้นบ้าง แกก็คือนายรพินนั่นแหละครับนายหญิงใจดีเมตตาการุณากับพวกเราชาวป่าชาวดอยทุกคนและใครเห็นแกก็เหมือนเห็นเทวดามาช่วยนั่นแหละดอรินยิ้มให้นิดนึงแล้วหันไปทางนานอินบอกผ่านว่าฉันหมายถึงอากับกิริยาความรู้สึกภายในต่างๆของเขาเท่าที่สะเอิงจะมองเห็นได้ในขณะที่เดินทางร่วมกันมา ช่วยถามไม่ทีเถอะลุงพรานครูผู้เฒ่าจึงทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาแล้วก็ช่วยแปลกลับมาให้หล่อนฟังเสร็จนายหญิงครับไปถามมันยังงี้มันคงตอบไม่ถูกรอกนายหญิงพวกนี้มันไม่มีความรู้สึกที่ละเอียดพอที่จะมัวสังเกตอะไรได้หรอกและนายระพี น, นายหญิงก็รู้อยู่แล้วว่าดูยากมากหน้าแกนะ่ะเหมือนก้อนหินจะทุกข์จะสุข จะเสียใจพอใจหรือไม่พอใจอย่างนั้นอินเองก็ยังอ่านแกไม่ออกมันรู้แต่เพียงว่าแมมสองคนนั่นทั้งผมทองและผมแดงก็ให้การช่วยเหลือมันอย่างดีที่สุดแต่ก็มีระพินคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาและฝรั่งผู้ชายสองคนรวมทั้งนายทหารไทยตลอดจนพรานทุกคนที่มาด้วยก็ไอความเมตตาช่วยเหลือพวกมันทุกคน นั้นอินว่าทั้งหลายแหล่มันก็เกิดขึ้นจากนายราพินนัแหละที่ทําให้พวกฝรั่งน่ะมันยอมเสียเวลาช่วยเสอเอิงไว้เพราะถึงยังไงพวกนั้นมันก็ต้องเอาใจแกไว้มัง่งตอนผ่านซับบอนพวกนั้นเดือดร้อนเรื่องเสือกินคนอาละวาดพวกฝรั่งมันก็ให้นายราพินเดินผ่านโดยไม่เอาธุระไปะทีนึงแหละคราวนี้มันเกิดเรื่องเห็นเห็นคาตากันไอเสอเอิงนอนไสไหลจะตายไม่ตายแหล่อยู่ ทนายราพินขืนทาเป็นใจดำไม่บังคับให้ฝรั่งพวกนั้นช่วยมันก็ผิดปกติของแต่ไปละ่ะเ็ามีความสุขดีเหรอในระหว่างเดินทางอะ่ะดาริงใช้คำถาม ท, าที่ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตนเองเจตนาที่จะค้นสแสวงหาคำตอบเสเหลือประมาณในข้อนี้ซึ่ง้าอยู่ต่อหน้าชยันเทถาหรืออนุชา หล่อนก็คงจะถูกทักท้วงไปแล้วก็สาเหตุนี่เองหล่อนถึงได้สะกิดเรียกเสอเอิงออกมาพบเป็นส่วนตัวตามลำพังความสุขเหรอความสุขยังไงล่ะครับนายหญิงเจ้าเสอเอิงกลับย้อนถามหน้าตาเฉยเพราะความซื่องโง่ของมันดารินเม้มปากเอามือถูปลายคางแล้วควักบุหรี่จากกระเป๋าออกมาจุดสูก พ่นควันลงต่ําเป็นทางสเสอิงเห็นเขาหัวเราะไหมเขายิ้มไหมเขาสนุกสนานด่าเริงไหมฉันหมายถึงขนาดที่เขาพูดคุยกับพวกนั้นเนี่ยนายหญิงครับนายรพินน่ะแกเป็นคนไม่ค่อยหัวเราะหรอกไม่ค่อยยิ้มแล้วก็ไม่ค่อยร้องเพลงหรือเต้นระบำกับใครหรอก เงียบๆเฉยๆแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะหญิงสาวอดหัวเราะ อ, ออกมาไม่ได้แม้ว่าจะอยู่ในภาวะสลดหดผูกหล่อนพยายามตั้งคำถามใหม่เออสเสอิงเห ม, มืนสองคนค น, ค น, น่ะคนนึงผมแดงคนนึงผมทองคนไหนใจดีกว่ากันน่ะเซอิงก็เห็นดีทั้งสองคนนะะมาช่วยสเสอิงด้วยกันทั้งคู่อ บางทีก็ผลัดกันคนผมแดงอนะหัวรอกเก่งชอบสนุกคนผมทองก็เงียบๆไม่ค่อยพูดมากท่าทางดุแต่ก็มีเมตตากับสะเอเงินและพวกเราทุกคนแล้วใครสวยกว่ากันละ่เออะเออสะอเงินชอบใครมากกว่ากันระหว่างสองคนนี่หล่อนหยังเสียงคราวนี้เจ้ากระเหรียงเดินตาย เอามือเกาหัวคิดดูเหมือนมันจะเพิ่งใช้ความคิดเปรียบเทียบเป็นครั้งแรกในปัญหาที่ตนเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันแล้วก็ยิ้มแย่ๆนายหญิงคนผมทองนี่สวยมากนะสวยจริงๆแต่เวลาโกรธก็น่ากลัวมากแหละคนผมแดงน่ะไม่สวยมากนะักชอบเล่นชอบหัวเราะเหมือนเด็ก แต่รูปร่างอุบอัพเอิงว่าหน้าอกกับตอวโพกหนาไปหน่อยและแกก็ไม่ถือตัวเออและเท่าที่เจ้าเห็นน่ะแผ่นใหญ่มักจะพูดกับใครมากกว่ากันระหว่างคนผมแดงกับคนผมทองตอนนั้นสเสอิงเจ็บมากนะนายหญิงก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ค่อยเห็นแกพูดกับใครหรอก นอกจากพรานสี่คนของแต่แล้วก็พวกหลูกหาบเท่านั้นอ๋อตอนที่สเสองถูกกระทิ้งเหยียบนอนไส้หลายอยู่ตอนนั้นพานใหญ่ก็แม่ผมทองเข้ามาช่วยสเสองก่อนแม่มผมแดงกับพวกก็ตามมาทีหลังก็คงจะเป็นเพราะเดินทอดระยะห่างกันมากก็อย่างที่สเสองได้บอกแล้วละ่ะคืนแรกบนหน้าผาตะเคียนทองตอนหัวค่ํา แมมผมแดงขึ้นไปเยี่ยมเสอเอิงพร้อมกับ น, นายระพินพอคืนถัดมานายรพินเจ็บบ้างแมมผมทองเป็นคนนอนเฝ้านายรพินในซอกถ้นเดียวกับเสอเอิงและเสอเอิงก็หัวเราะ อ, อีกบอกต่อไปว่าแต่พวกลูกหามันมาคุยกันนะเสอเอิงได้ยินมันว่าทั้งสองคนน่ะชอบนายรพินมากและ มัจะหาเวลาไปคุยด้วยสองต่อสองถ้าได้โอกาสและนายรพินก็มีเรื่องพูดกับคนผมทองมากกว่าคนผมแดงแต่ไม่รู้พูดอะไรกันเพราะเวลาพูดกันตามลำพังสองคนน่ะเขาพูดฝรั่งพวกลูกหาวกรพรานสี่คนก็ฟังไม่ออกดารินใจวิวแต่สู้สะกดไว้ภายใต้สีหน้าเรียบๆนานอินก็โผล่ออกมาว่า นี่ไอ้เสอเอิงสุยกว่านายหญิงคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเองนี่ไหมวะก็เรียงเดินตายพิษดูใบหน้าของหญิงสาวตรงหน้าอยู่ครู่นึงอาการของมันเป็นไปอย่างซื่อๆง ộ, งๆแท้จริงปราศจากเล่เหลี่ยมสอพลอในยามที่มันจ้องดารินขนาดนี้ก็มองจงๆเหมือนมองดูหุ่นอึดใจก็ตอบว่า ก็สวยคนละอย่างนะลุงอินนายหญิงสวยอย่างคนไทยแมมผมทองนั้นเขก็สวยอย่างฝรั่งตวัวมันโตน่ะลุงอะไรต่ออะไรมันก็ใหญ่ไปหมดแต่ก็สมส่วนส่วนนายหญิงคนนี้น่ะบอบบางเหมือนกลีบกุหลาบเออเองรู้ไว้ซะด้วยบอบบางเหมือนกลีบกุหลาบอย่างนี้เลยวะลูกปลาอย่างเองนะบุกปลาปีนเขาสู้ไม่ได้หรอก รู้ไว้ซะด้วยนายหญิงคนนี้แหละบุกไปถึงเทือกเขาพระสิวะมาแล้วไปช่วยข่ากับพรานชดน่อนออกมาได้ไม่งั้นข่ากับพรานชดก็ตายไปแล้วเสอเอิงทำหน้าเหลือหลาเพราะไม่เคยรู้จักหรือรู้ประวัติของดารินมาก่อนหญิงสาวยกมือขึ้นบุกไปทางครูพรานลุงหยุดเถอะให้ฉันถามกดคนเดียวดีกว่าเอาไว้ไม่เข้าใจแล้วลุงค่อยแปลแล้วกัน งั้นอินหัวร่าแล้วขบปากนิ่งลงนิ่งฟังอย่างสงบตามเดิมเออนี่สเสอิงแล้วพวกฝรั่งผู้ชายอีกสองคนน่ะก็ดีนะนายหญิงนายทหารไทยที่มาด้วยนะ่ะยิ่งดีใหญ่เลยสนิทกับนายระพิน์แล้วก็พวกลูกหาทุกคนแหละผู้หญิงสองคนนั้นเดินตากเก่งไหมเสเอิงชูหัวแม่มือขึ้น ยอดเลยนายหญิงสอเอิงยังไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนบุกป่าฝาดงเก่งอย่างสองคนนั่นเลยยิงปืงก็เก่งช้างบุกเข้ามาโป่งสุดโป่งสุดแต่ดูว่าคนผมทองจะเก่งกว่าคนผมแดงซงนะอีกเนอะไวกว่าแข็งแรงกว่าขนาดพวกผู้ชายที่มาด้วยทั้งหมดยังสู้ไม่ได้เลยยกเว้นแต่นายราพินกับพวกพรานงแกเท่านั้นแหละ ดารินพยักหน้าช้าๆดวงตาหลีลงมาเรียคนที่สองหล่อนคิดกับตนเองหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเหนือกว่ามาเรียฮอฟมันจะอีกกระมังสำหรับแม่คริสติน่ากรูบิลคนนี้แต่ก็ไม่น่าพิศวงอะไรเพราะถ้าไมมีฝีมือจริง CIA ก็คงไม่ส่งตัวมาหรอกแล้ว วันที่เขาออกเดินทางจากที่นี่ล่ะเสียงของดารินแผ่วลงเกือบจะเป็นกระซิบตาเมื่อมองไปยังทิวขุนเขาทะมึนเหมือนเส้นกั้นของจักรวาลไกลโพ้นออกไปอันดูจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้วันนั้นเขาบอกกระเจ้าหรือพวกเจ้าที่นี่ว่ายังไงไหมนายหญิง แกก็ไม่ได้บอกอะไระเอิงมายืนดูอยู่ด้วยละ่ะแกสั่งให้เอิงอยู่ที่นี่และรักษาตัว ห, หายเร็วทั้งหมดออกจากที่นี่ไปอย่างเงียบๆตัดไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนุ่นแต่บุญคำบอกกระบบมเมียและซอกาเล ว, ว่าคงจะไม่ได้พบกันอีกแล้วลอูทากระพโต้ก็บอกกับพวกเราทุกคนว่าไปครั้งนี้นะ่ะไปตายแต่ก็ต้องไป เพราะรักนับถือนายรพีเหมือนพ่อด้ารินฝืนยิ้มให้กับเสะเอิงพยักหน้าบอกด้วยน้ำเสียงที่พยายามให้เรียบปกติที่สุดว่าฉันขอถามเจ้าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเสอเอิงเอาละกลับไปนั่งคุยรวมกลุ่มกับพี่ชายฉันได้แล้วละ่ะเพื่อเขาจะมีข้อสงสัยอะไรจะถามเจ้าอีกอ๋อสาหรับ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 เพื่อจะใช้แทนหมอนแล้วเอ็นกายลงอย่างโหยและเหี่ยลุงอินขรับนายหญิงฉันเพลียแล้วก็ง่วงเหลือเกินนะจะขอนอนหลับพักอยู่ที่นี่ก่อนสักสามสี่ชั่วโมงถ้าเผื่อพวกนั้นถามลุงก็ช่วยบอกด้วยนะว่าไม่ต้องห่วงฉันขอนอนพักเอาแรงเท่านั้นแหละไม่ได้เจ็บคายได้ป่วยอะไรหรอก ถึงเวลาอาหารเย็นค่อยมาปลูกชันก็แล้วกันแต่อย่าให้ใครมาปลุกก่อนหน้านั้นแล้วกันกล่าวเบาเพียงแค่นั้นหล่อนก็ผ้าสีสษะลงกระเป้หลังดึงติดหมวกสกราดลงมาปิดบังไว้ครึ่งใบหน้าเาวขาข้างนึงเหยียดตรงราบอีกข้างนึงชันขึ้นมือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนซวงอก นันอินมองดูอาการนอนอย่างง่ายๆของนายหญิงแล้วถอนใจอย่างสงสารสังเวชใจลักษณะของดารินในยามนี้เหมือนพรานใหญ่ระพินไพลวันไม่มีผิดจากสภาพท่าทางที่นอนอยู่แก่ค่อยๆขยับตัวพละออกเงียบๆเท่าๆกับที่ดารินบราริบก็พลอยหลับไปอย่างง่ายๆ ด้วยความกราดกรำหนักและแทบไม่ได้พักผ่อนเลยตลอดคืนที่ผ่านมา126้12ดารินนอนทับรอยของรพินไพรวันในบ่ายที่เขานำตัวคริสติน่าและเชิดบุตรมาถึงห้วยเสือร้องอย่างแท้จริงเวลาก็ดูเหมือนจะเป็นเวลาเดียวกันเสียด้วย ที่มานอนอยู่ตรงนี้นกเขายังคร่ำครวนกรุ๊กกรูอยู่บนยอดไม้ต้นนั้นเหมือนจะร้องเพลงขับกล่อมในจิตวิญญาณส่วนลึกหล่อนสดับเหมือนเสียงใครกระซิบแวววเป็นลำนำเพลงสลดแวววซ้ำกับที่เคยได้ยินมาก่อนว่า โอ้ใครไหนครวนจวนข้าพลอดคำหรือเธอครวนใครเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งไหนห่างไกลหรือเกินเกินห่างอ้างวางฝันเคยเคียงใกล้ เธออยู่ห่างไกลเธออยู่ห่างไกลจิตใจไหวหวัน่นสวดมนต์ส่งพรบอนฟ้าขอนิตรานแน่เธอนิรันด์อนถอดหัวใจายสัมพันธ์นฝากกันวันฤทยัย ใจิตใจคำหนึง่งติดตรึงมั่นในรื้อไทยคร่ำครวนเธออยู่ไห น, ไหนเธออยู่แห่งไหนถึงไม่คืนมาฝากลมพลิ้วพรมโชยผ่านฝากทานปรึกษา ไม้ป่าช่วยต่อมวิญญาช่วยปลอดทิวาทวินหาเธอต่อไม้เอนทางด้านปลายเท้าของหล่อนแงสายนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นผู้บรรยายลำนำเพลงเศร้าบทนั้นให้เกิดขึ้น ดาริงอยากจะลุกขึ้นมาแต่หมดเรี่ยวแรงไม่อาจดึงกายให้ขึ้นมาได้เยี่ยงคนถูกสะกดอยู่ในมนนิทราทว่าในแผ่นภาพนิมิตนั้นหล่อนเห็นเห็นอดีตเจ้าคนชายชาวโดงของหล่อนผู้นั้นยังเด่นชัดั น, นัดที่สุดเจ้านั่นผาดปืนปัสตันซีซี ขีด40ประจำมือไปกับตักข้อศอกวางไว้บนปืนที่ผ้าตักอีกทีหนึง่งทอดตาคมงามดำสนิทจับนิ่งมาที่หล่อนเยี่ยงธาตุผู้แสนจะซื่อสัตย์พักดีเหมือนอย่างที่หล่อนเคยเห็นมาก่อนในอดีตและการนั่งเฝ้าดูแลอยู่ในสภาพนี้ก็คือการนั่งเฝ้าเพื่อพิทักษ์นายหญิง อย่างที่เคยปฏิบัติในยุคนั้นนั่นเองในแผ่นภาพฝันดารินเอ๋ยเรียกนามของบุคคลผู้นั้นแง้ทรายเจ้าหนุ่มชาวดงพเนจรอดิตคนใช้ของหล่อนยิ้มอ่อนโยนแสงตะวันบ่ายที่สาดทอดเป็นเงาเฉลียงร่มไม้ลงมากระทบใบหน้าอันงามประดุดภาพปั้นเทพพ บ, บุตรกรี ซึ่งหล่อนเคยนึกชื่นชอบชนักหนานั้นแววตาที่มองมาประกาศชัดถึงแววคารวะพักดีเคารพรักไม่เสื่อมคลายครับในที่สุดนายหญิงของแง่ายก็ติดตามผู้กองมาจริงๆกระแสเสียงนั้นทุมลึกฉันจะทนอยู่ได้ยังไงแง่ายถ้าปราศจากเขาก็เธอไม่ใช่เหรอ ที่ไปบอกทุกสิ่งทุกอย่างกับฉันจนเป็นต้นเหตุให้ฉันต้องติดตามเข้ามาในครั้งนี้ศีรษะนั้นก้มเนิบลงนิดหนึ่งใช่ครับนายหญิงเงยส า, ายเป็นผู้บอกเตือนให้นายหญิงทราบในคืนนั้นผู้กองกําลังอยู่ในความทุกข์ลําบากแสนเข็นนะักเขาไม่มีใครอีกแล้วนอกจากลูกน้องคู่ใจเขาสี่คนเท่านั้น ที่ร่วมชะตากรรมอยู่ด้วยกันหากนายหญิงทอดทิ้งซะอีกคนเขาก็อาจไม่ได้กลับหลังคืนไปให้นายหญิงได้เห็นอีกแล้วล่ะครับคำพูดนั้นเบาก็จริงแต่ชัดเจนทุกถ้อยกระทงความดารินดูเหมือนพยายามที่จะลุกขึ้นแต่ก็ขยับเขยื้อนตัวไม่ได้คงได้เห็นแต่ภาพและเสียงเท่านั้น เงียทรายแล้วก็เธออีกใช่ไหยที่ไปเข้าฝันบอกให้นานอินและขยินเดินทางมาสมทบกับพวกเราที่หนองน้าแหง้งทําให้ทั้งสองคนนั่นมาถึงทันเวลาก่อนจะออกเดินทางพอดีครับถูกต้องครับผมส่งมือดีทั้งสองมาให้นายหญิงในการเดินทางครั้งนี้ด้วยเพราะถ้าปราสะจากนานอินกับขยิน คณะของนายหญิงจะประสบกับความยากลำบากมากทีเดียวครับนี่เงาทายก่อนอื่นนั้นฉังอยากรู้เหลือเกินว่าเธอเองน่ะคืออะไรอยู่ในภาวะใดยังมีชีวิตอยู่หรือว่าดับขันไปแล้วเธอจึงสามารถส่งสัญญาณติดต่อกับฉันนันอินหรือคยินได้เงาายยิ้มกว้างออกไปอีก จนเห็นไรฟันขาวสะอาดได้รูปงามนั้นน้าหญิงครับน้าหญิงถามแง่ายในแง่ไหนล่ะในแง่วิทยาศาสตร์หรือจิตศาสตร์ก็ถามทั้งสองอย่างหรือทุกอย่างนั่นแหละครับถ้าในแง่ของวิทยาศาสตร์น้าหญิงกาลังหลับฝันจิตประวัติคิดถึงแง่ใจ จึงสร้างภาพขึ้นมาเองครับส่วนแง่ของจิตศาสตร์พรหมศาสตร์หรือศาสตร์ลี้ลับอื่นๆอีกหลายแขนงที่มนุษย์ปุทุชนสามัญยังศึกษาไปไม่ถึงคำตอบก็คือกระแสจิตของเราทั้งสองสามารถส่งถึงกันได้ที่นายหิงเห็นและได้ยินอยู่นี่คือกายทิพย์หรือดวงจิตของแง่ทายนั่นเองครับไม่มีตัวตน มีแต่กระแสคลื่นแห่งความคิดที่ก่อตัวรวมกันเข้าเท่านั้นครับดาริง ง, งไม่อาจเข้าใจถามย้ำไ ม, ม่ว่าแล้วแล้วเธอยังมีชีวิตยอยู่เหรอฉันหมายถึงสังขารอินทรีย์ตามหลักของชีววิทยานะ่ะมีที่ครับนายหญิงแงาสายยังไม่ตายหรอกนายหญิง นายจริงของเธออะไรอยู่ที่ไหนล่ะก็นายหญิงกับคณะเคยไปส่งแง่ทรายไว้ที่ไหนล่ะแง่ทรายก็อยู่ที่นั่นแหละครับมรกรคอน่ะเหรอครับถูกต้องครับหน้าที่ขุนเขาจรดขอบฟ้าที่ทิวาจรดราตรีนั่นแหละครับคือสถานบินของแง่ทรายปล สามารถแบ่งกายทิพย์ของเธอออกมาได้ยังไงกันนี่ไงทรายฌานใช่ครับฌานฌานทำให้เกิดเกิดทิและอิทธิก็ก่อให้เกิดปาฏิหาริย์ครับภาพและเสียงที่มนุษย์โลกเขาใช้กันอยู่ถ้าหากไกลกันนั้นเขาก็ถ่ายทอดขึ้นสู่ดาวเทียม และจากดาวเทียมอันเป็นสื่อกลางก็จะแผ่กระจายไปตามคลื่นอากาศไปทุกมุมโลกเข้าสู่เครื่องรับทุกเครื่องได้สัญญาณแห่งกระแสจิตของแง่ทรายก็ดุจเดียวกันละครับส่งผ่านเข้าสื่อกลางคือพระอาจารย์ของแง่ทรายและของนายหญิงเองมหาฤาษีกนธัญะอรหันต์เจ้าองนั้นก็ส่งคลื่นแห่งดวงจิตของแง่ทรายเข้าสู่เครื่องรับในดวงจิตของนายหญิง หรือทุกคนที่แง่สายต้องการจะให้รับได้ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดให้อีกทีหนึ่งดิดเดียวกะไดดาวเทียมส่งถ่ายทอดวิทยุหรือโทรทัศน์แล้วยิ่งเป็นการง่ายมากถ้าผู้รับกำลังตกอยู่ในภวังนิทราเช่นนายหญิงขนาดนี้ครับมหาสจันที่สุดนะแง่สายฉันจะพยายามเข้าใจที่เธอพูดนะแต่ก็ยังไม่กระจ่างแจ้งนักหรอก ดารินกล่าวเหมือนรำพึงอย่างงุนงงนายหญิงครับคิดสักนิดนะครับนายหญิงเองก็เป็นผู้ที่เลื่อมใสและหันเข้าหาหลักของสมาธิอันจะก่อให้เกิดออกทิฌานขึ้นเช่นกันก่อนหลับนายหญิงสวดภาวนาว่าอะไรครับฉันก็ท่องคาถาชินบัญชรไงครับ แล้วในพระมหาคาถาบทนั้นนะครับมีอยู่ตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่ายังไงตอนไหนล่ะก็โกธันโยปิธิภาคัตสมิโมคลาโนจะวามเกโอครับนายหญิงก็รู้คำแปลดีอยู่แล้วนี่ครับใช่สิใช่สิ เบื้องหลังพระโอนทัญญะสผิจิตตส า, าเบื้องซ้ายพระโมกัลานสผิสถาพรครับใช่นลครั บ, รบถูกต้องครับและจะต้องมีอะไรสงสัยอีกละครับในเมื่อ น, นอยายหญิงภาวนาแคร่งถึงพระอาจารย์อยู่ด้วยถ้อยคำเช่นนี้อรหันเจ้าทุกพระองค์ที่นายหญิงกราบไหว้บูชาระลึกถึงและขอพร ท่านก็ประสาทถรนไว้แล้วนี่ครับโดยเฉพาะฤาษีกนธัญญาที่นายหญิงเคยไปเฝ้ามาแล้วในครั้งนั้นท่านแผนแ่เมตตาแก่นายหญิงเป็นพิเศษออกไปรับกระแสคลื่นดวงจิตของแง่ทรายส่งต่อถ่ายทอดมาให้นายหญิงเช่นขณะ น, นี้โปรดได้รับรู้ว่าเพียงคนเดียวนะครับอย่าได้ปริบปากบอกใครเป็นอันขาดไม่มีใครเขาเชื่อหรือเข้าใจนายหญิงหรอกครับ นี่แงซายฉันดีใจเหลือเกินนะเนี่ยดารินอุทานออกมาขยับจะลุกขึ้นแต่ก็ขยับขยื่นกายไม่ได้อยู่เช่นนั้นเหมือนถูกสะกดตรึงไว้จึงกล่าวต่อไปโดยเร็วนี่เงซายมันจะเป็นการวิเศษสุดสำหรับฉันนะถ้าหากฉันได้เห็นเธออยู่เสมอในเวลาที่ฉันหลับหรือเข้าสมาธิน่ย แง่าสายสายหน้าแช่มช้ายังยิ้มละไมอยู่เช่นนั้นนายหญิงครับมันก็ไม่เสมอไปหรอกครับเพียงชั่วบางโอกาสเท่านั้นแหละที่คลื่นแห่งดวงจิตของแง่าสายจะส่งมาถึงนายหญิงได้แจ่มใสชัดเจนอย่างนี้แต่แง่าสายก็พยายามนะครับแล้วแล้วนี่เธอมาให้ฉันเห็น เธอน่าจะมีข่าวอะไรมาบอกที่รู้บ้างนะเงยร า, ายครับเงยส า, ายมาให้ในายหญิงเห็นมานั่งเฝ้านายหญิงขณะที่หลับเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัตินะครับแต่สิ่งใดก็ตามที่นายหญิงประสงค์จะทราบเงยส า, ายไม่อาจ บ, บอกได้ครับเพราะผิดกฎของจักรวาลผิดธรรมวินัยของอรหันต์พรเจ้าที่จะบอกอนาคตให้แก่ผู้ใดได้ฉะนั้น โปรจะได้ถามอะไรที่แง่ทายไม่อาจ บ, บอกได้นะครับนายหญิงนี่ห้ามฉันไม่ถามไม่ได้หรอกแง่ทรา ย, ายแต่อยู่ที่ตัวเธอเองแ่ะที่จะบอกได้หรือไม่บอกเท่านั้นแหละเข้าใจไหมเจ้าอาดีตกรเลียงพเนจรก้มศีรษะลงนิดนึงอะครับถ้าเช่นนั้นานายหญิงก็ลองถามแง่ท า, ายสิครับ ฉันอยากถามว่าขนาดนี้นรพินอยู่ที่ไหนดารินถามโดยเร็วในทันทีผู้กองยังมีชีวิตครับนายหญิงแต่ก็ลำบากมากครับหยาดเหงือแทยจะหลังเป็นเลือดแล้วครับนี่เธอตอบไม่ตรงคำถามใช่นะเง่สายครับนั่นก็แปลว่าแง่สายไม่อาจจะตอบได้นะครับงั้นเอาละถามใหม่ ฉันจะตามเขาพบไหมแง่ทรายก็อยากจะตอบครับแต่ก็ตอบไม่ได้อีกเลยเอ๊ะนี่ฉิวแล้วนะแง่ทรายดารินร้องนายหญิงครับฉิวก็คือโทสะนะครับและโทสะก็คือเคราะห์นายหญิงเองขนาดนี้ก็มีเคราะห์อยู่แล้วอย่าได้เพิ่มเคราะห์ให้กับตัวเองอีกเลยครับ ดารินถอนใจแล้วอดหัวเพราะออกมาไม่ได้นี่การล่อนไม่หายอยู่เหมือนเดิมนะเรานะเน่ะแงาสายไม่กล่ล่อนกับนายหญิงนะครับมีแต่ความรักและเคระารพเท่านั้นครั บ, รบอ่ะงั้นขอถามว่าระบินจะได้รับอันตรายหรือตายก่อนที่ฉันจะตามทันไหมล่ะนายหญิงครับครับ อันตรายนะแวดล้อมผู้กองอยู่ทุกขนาดจิตนะครับแต่จะตายหรือไม่น่ะนายหญิงจะตามทันหรือไม่เงซายก็บอกไม่ได้อีกแล้วครับนี่ฉันผิดใช่ไหมแงซายที่แม่ตัวเข้าไปกับฉันจ้ะในตอนที่เราพบกันครั้งล่าสุดน่ะเงสายยิ้มเศร้าซึมลงแล้วสัมหน้าแช่มช้าไม่มีใครผิดหรอกครับ ไม่มีใครผิดเลยแม้แต่สักคนเดียวในเหตุการณ์ที่จะต้องพลัดพรากกันในครั้งนี้ครับมันเลื่องมาแต่กรรมเก่าที่เป็นตัวส่งผลบันดาลทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นพันพัวไปหมดเหมือนสายโซ่ครับดารินนิ่งขรึมไปครู่แล้วถามมาว่าแล้วเขายังรักมั่นคงอยู่ต่อชันเหมือนเดิมหรือเปล่าเงใส ข้อนี้ไงทายตอบได้ครั บ, รบต่อให้ดับขันไปแล้ ว, ลวจิตวิญญาณของผู้กองระพิ น, พนก็ยังรักสัตซื่อมั่นคงนต่อนายหญิงอยู่ครับนายหญิงตัดสินใจถูกต้องเลยครับที่ติดตามมาในครั้งนี้สดับดังนั้นดารินรู้สึกแช่มชื่นเป็นสุขขึ้นแต่แล้วก็มองเศร้าลงอีก เก็บกระดูกเขากลับไปใช่ไหมงะทายนายหญิงครับระหว่างนายหญิงกับผู้กองน่ะโปรจะคิดคิดว่านายหญิงจะเป็นฝ่ายเก็บกระดูกเขาเพียงข้างเดียวหรือครับถึงตัวนายหญิงกับพวกก็เช่นกันครับพลาดแม้แต่นิดเดียวก็อาจจะไม่เหลือแม้แต่กองกระดูงะทรายขอเตือนไว้นะครับผู้กองบุกบันไปข้างหน้า นายหญิงสาวรอยติดตามมาเบื้องหลงังไม่มีใครเสียงน้อยไปกว่าใครหรอกครับโอกาสดับขันมีได้เท่าเ่ากันเพียงแต่ขณะนี้นายหญิงและพวกยังไม่ได้ไไดเผชิญหน้ากับอันตรายหนักเท่าผู้กองเท่านั้นครับถ้าจะเกิดการตายขึ้นระหว่างเขากับฉันฉันขอเป็นฝ่ายตายก่อนดีกว่าเงี้ยไ ถ้าในเรื่องของความรักผู้หญิงทุกคนมักจะพูดอย่างนี้แหะครับแต่สำหรับนายหญิงเงี้ยทายรู้ครับว่านายหญิงพูดออกมาจากใจจริงเงี้ทายแล้วนี่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาเตือนให้เขาได้รู้บ้างไหมว่าฉันกำลังตามเข้ามาแล้วดารินพูดเป็นเชิงชวนคุยมากกว่าจะเป็นรูปคำถาม สิ่งศักดิ์สิทธุทุกชนิดนนก็ไม่สามารถที่จะทำผิดศีลผิดกฎแห่งจั ก, กรวาลได้เช่นกันครับนายหญิงเพราะฉะนั้นผู้กองจะไม่มีโอกาสรู้ได้เลยครับว่านายนหญิงจะตามม า, า, มมาและไม่เชื่อด้วยว่าจะตา ม, ตามครับถ้าก็ไม่เชื่อว่าฉันจะตามเขามาเขาก็หมิ่นน้ำใจรักของฉันมากนะผู้กองก็ไม่ได้หมิ่นน้ำใจรักของนายหญิงหรอกครับ แต่คงจะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่นายหญิงจะติดตามเขามาเขาเข้าใจเอาเองว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายรักนายหญิงมากกว่านายหญิงจะรักเขาครับธงกระพินดารินครางอยากจะร้องไห้แล้วกล่าวต่อไปว่านี่เขาไม่เข้าใจฉันอย่างแท้จริงเลยนะแง่ทรายนี่ยว่าแต่นี่หน่ะเง่ทราย ในสภาพที่เธอพบกับฉันแบบนี้เนะี่ยอยากรู้จังเลยเธอเคยไปพบเขาบ้างไหมบ่อย <Boy, S 2> <Boy, S 1> ครับ boy, boy, boy, boy. แล้วเขาไม่สงสัยอะไรเหรอ boy, boy, boy. เาก็รู้แต่เพียงว่าเป็นจิตใต้สำนึกของเข า, ขเขาที่สร้างภาพเงาทรายขึ้นมาเองครับแล้วเขาพูดอะไรกับเธอมากงล่ะเงาทซาย นายหญิงก็รู้อยู่แล้วนี่ครับผู้กองกับแง่ทรายพบหน้ากันก็จะมีอะไรนอกจากด่าเขาก็ด่าแง่ทรายมาตลอดนั่นแหละครับฉันม่าเธอกคงมายู่อะไรคละมั้งคที่บ้างครับตามประษาคนชื่อแง่ทรายกับคนชื่อระพินไพรวันนั่นแหละครับแล้วเธอไปพบเขาเวลาไหนไปพบแบบไหนล่ะ ก็อย่างเดียวกันในหญิงนี่แหละครับเวลาเขาเคลิมเข้าผวังหรือเวลาหลับเวลาไร้สติเจ็บใข้ได้ป่วยจิตผู้กองนักแข็งมากครับถ้าไม่ได้โอกาสจริงๆโอกาสที่แง่ทายจะแทรกเข้าไปในมโนคติของเขาหนะยากครับบางทีรู้ว่ามีภัยรออยู่เบื้องหน้าอยากจะเข้าไปเตือนบอกยังเข้าไม่ได้เลยในขณะที่เขายังมีพลังจิตแข็งแกร่งอยู่นะครับ เออนี่ระหว่างที่เดินทางเข้าโวยเสือร้องก่อนที่อย่างวันนี้อะฉันเป็นลมหมดสติไปนะแล้วฉันก็เพ้อเห็นเขาในความคิดด้วยจินตนาการของฉันนะ่ะก็ทํามองกุดไพรฉันสวมด้วยละ่ะฉันมีความสุขที่สุดในตอนนั้นนะ่ะนะแต่พอรู้สึกตัวได้สติขึ้นก็รู้ว่าเป็นแต่เพียงความเพ้อฝันคิดไปเองเท่านั้นละ่ะไงสานายหญิงครับ นายหญิงน่คือมงกุฎไครของดาริงแอ๋ของระพินอย่างแท้จริงในการตามมาในครั้งนี้ครับมงกุฎที่สูงสุดในชีวิตผ่านป่านาถาและสิ่งที่นายหญิงเพ้อฝันเห็นไปเองจริงๆแล้วมันเป็นการพบกันชั่วขณะระหว่างจิติตต่อจิติตผู้กองเองก็รู้สึกมองเห็นภาพเช่นเดียวกันนายหญิงนั่นแหละครับ แต่เขาก็คิดว่าเป็นเพียงความเพรอพกจิตประวัติไปเองเหมือนกันนายหญิงได้พบผู้กองแล้วครับในขณะที่หมดสติกันนะดาลินตะลึงร้องออกมาว่าถ้างั้นถ้างั้นก็แปลว่าครับผู้กองขณะนี้เดี๋ยวนี้อาการของเขาไม่สู้ดีนักครับ มาเรี ย, ยหนาวสันเป็นลูกนกสิใช่ไหมแหมนายหญิงก็หลอกถามแง่รายจนกระทั่งพลังจนได้ครับครับใช่ครับแต่นายหญิงอย่ามีกังวลให้มากมักเลยครับธรรมชาติของผู้กองเป็นอย่งงางนั้นประจำเช่นที่เรา ร, รู้รู้กันอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ครับหมอเบร์คริสติน่าและทุกคนของฝ่ายนายจ้างก็กาลังดูแลเขาอยู่ เขาอยู่ที่ไหนแงซ า, ายห่างจากที่นี่สักเท่าไรหล่อนถามเร็วปรือแงซ า, ายไม่ตอบแต่เอามือขึ้นปิดริมฝีปากตนเองไว้ดารินตวาดว่าไม่ยอมตอบอีกลวไอ้เจ้าเนียเสียแรงรักเหมือนน้องชายแท้ๆเลยทูพี่สาวครับเห็นแก่มหาฤาษีกลทัญญะเถอะครับ ยายแงสายต้องบอกในสิ่งที่ผิดกฎเลยครับมิฉนั้นต่อไปแงาสายจะมาพบพี่สาวไม่ได้อีกแล้วนะครับดารินถอนใจเฮือกอ่อนใจอยากจะร้องไห้นี่เจ้ากระล่อนจ้าฉันลุกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้แหละฉันเขกระโหลกนายแน่เลยนายหญิงลุกขึ้นมาไม่ได้หรอครับ สภาวะทางกายของนายหญิงกำลังหลับลึกหลับสนิทคนหลับก็ได้แต่ฝันครับทำอะไรไม่ได้อย่างใจหรอกถามอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามบ้านก็ไม่ยอมบอกเอาละ่ะถ้างั้นไปช่วยกระซิบหรือดนใจเขารู้หน่อยได้ไหมว่าดารินกำลังตามมา ขอให้เขาทวงเวลาเดินหรือหยุดรอด้วยเถอะถ้าจะให้บอกแค่ว่านายหญิงยังรักมั่นคงผู้กองอยู่แล้วก็พอบอกได้ครับแต่ถ้าจะให้บอกว่ากำลังตามติดมาเบื้องหลังนี่บอกไม่ได้ครับทําไมอ่ ะ, ะอก็ถ้าขืนบอกไปผู้กองก็จะยิ่งทุกข์ทุรนทุรายหนักสิครับ ดีไม่ดีอาจาาะจะผลักหนีจากพวกนั้นกลับมาพบนายหญิงเลยมันก็เป็นการุืนเส้นทางพรหมลิขิตตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังจะพบกันไม่ได้ครับจนกว่าจะชดใช้เวรกรรมที่ต่างคนต่างก่อไว้แต่ชาติบางบันหมดสิ้นซะก่อนถ้าไม่หมดในชาตินี้ก็ต้องไปชดใช้กันต่อในชาติหน้าละ่ะนี่ก็คือความจริงที่จะไม่มีอะไรมาแก้ไขหักเหดได้ครับ ได้แล้วเงาา ย, ายอย่ามานั่งเห็นหน้ากันเลยแล้วก็ไม่ต้องโผล่มาพบหน้าฉันอีกแล้วหล่อนไล่มาอย่างฉุนเฉียวจอมพเนจรลุกขึ้นช้าๆเวียงปืนปั้นขึ้นพาดลายบนเบาๆเหมือนกันเลยคู่รักคู่นี้อุตส่าห์มาพบกลับขับไล่เงไทายา ย, า ย, ยันเต้เลย ก็มันกวนประสาทหรือเกินนี่มันไสเต็มทนถ้าพบตัวจริงเมื่อไหร่จะหิกหูจะขาดทีเดียวแล้วก็จะยุให้เมญานีตบซ้ายตบขวาแถมขึ้นเขา่าลงศอกด้วยโอ้ ย, อยแน่สายร้องหดคอลงดารินคอนขวับตวาดมาไปสิไปสิปสพล น, พ น, พนเจ้ากระล่อนดง อดีตคนใช้ประจำตัวของหล่อนก้าวออกเดินได้แค่ก้าวเดียวก็หยุดมองไปยังดวงตะวันที่กำลังลอยตัวลงต่ำแตะขอบเขาด้านตะวันตกสนทยาแล้วนายหญิง <c oughs> <c oughs> แล้วทำไม <c oughs> ดาริงสะบัดเสียงฟ้าแดงด้วยสิ <c oughs> เสียงนั้นเหมือนจะล้อลอ้อดารินไม่ทันฉเฉลียวใจคิดต่อปากต่อคำมาอย่างฉุนฉุนนี่ว่าทำไมสนทยาฟ้าแดงมันหนักหัวอะไรเธอด้วยล่ะอ้าวก็สุรีร้อนแรงโรยอ่อนรอนแสงหม่นมัวสกุณนาเรียกหารังตั ว, ตว ชนีเพียกเรียกหัวรัวร้าว่ำกำสุดดารินยกมือปิดหน้าสะอื้นฮักร่างของแงซายเดินห่างไกลออกไปเป็นลำดับตัดเข้าสู่ละเมอไม้แต่กระแสเสียงเพลงที่กรีเชื้อเหมือนจะเอาดวงใจหล่อนออกมาตีแผ่นั้นยังคงกังวานวิเวกติดต่อไป ในดวงจิตของหล่อนมันเป็นลีลาท่วงทํานองและเนื้อหาของข้อความเช่นเดียวกับที่หล่อนเคยได้ยินมาก่อนเมื่อตอนอาบน้ำอยู่คนเดียวยามใกล้ค่านณะบริเวณป่าหินของโป่งน้ำร้อนที่ผ่านมาแล้วจะมีอะไรเศร้าสะเทือนใจยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับหล่อน ใช่สิส่วนลึกของจิตใจของหล่อนมันก็คล่ำครวญโหยหาตรงกับเนื้อความเหล่านั้นอยู่แล้วในขณะนี้ในความรู้สึกอันพร่ามัวกึ่งได้สติกึ่งถูกกดจมลงไปสู่แดนสะกดด้วยพิษไข่และหนาวสะทานเยือกจับขั้วหัวใจ ระพินพอจะสัมผัสได้กับอาการเขย่าปลุกและเอ่ยเรียกขานนามเขาอยู่ริมหูตาเขายัางลืมไม่ขึ้นแต่คลางรับเออเออออกไประพินคุณกำลังเป็นไข้นะเราจะฉิจยาคุณได้ยินไหมได้ยินไหมหูแว่วเสียงนั้น แต่แยกไม่ออกว่าเป็นเสียงใครแต่คงไม่ใช่ดารินวราฤทธิ์ที่วิญญาณกำลังร่ำเรียกหาแน่เพราะเป็นเสียงของคนอเมริกันเพศหญิง mm hmm. เขาพยายามยื่นแขนให้ซึ่งความจริงแขนข้างนั้นก็ถูกจับไว้แล้วมีเสียงบอกที่ช่องหูต่อไประพินเราทิ้มเข็มลงไปในเนื้อคุณไม่เข้านะเนี่ยเข็มมันหักไปอันนึงแล้ว ครั้งนี้เขาได้ยินชัดกว่าครั้งแรกและได้ยินซ้ำๆอยู่เช่นนั้นอีกหลายประโยคพร้อมกับมีอุ้งมือมาประคองใบหน้าพลิกกลับไปกลับมาเหมือนจะปลุกเรียกให้คืนสติระพินพยายามสะกดกลั้นลมปราณยกมือสั่นเทาอีกข้างหนึง่งขึ้นวางลงไปบนแขนข้างที่ถูกยึดถืออยู่นั้นแล้วใช้มือข้างนั้นของตนเอง ขยี้คลึงช้าๆอึดใจต่อมาก็ลดมือลงเขารู้สึกเสียวแปลที่ท้องแขนเหมือนถูกมดกัดต่อมาก็มีอะไรเย็นๆมาเช็ดขยี้อยู่ตรงรอยที่เหมือนถูกมดกัดนั้นพร้อมกับเสียงถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเอาละเอาละให้เขานอนพักสักครู่ก็คงดีเองแหละอย่าเพิ่งไปรบกวนอะไรเขาเลย คิดว่าจะมีอาการแทรกซ้อนไหมเบร์ Bear. นั่นดูเหมือนจะเป็นเสียงด็ตรสแตนลีก็ต้องรอดูอีกสักพักละคะอาจารย์แต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกติดต่อกันอีกเสียงหนึ่งก็สั่งมาโดยเร็วว่าคิดบุตแปลผ้ า, าหม่มนหนาๆของพวกเรามาและประโยคต่อไปเป็นภาษาไทยของผู้พูดคนเดียวกันอ่ะบุญคำ ช่วยกัน ก, นก่อไฟขึ้นเดี๋ยวนี้อีกสักกองหนึ่งใกล้ๆเขารู้วิธีดีแล้วไม่ใช่เหรอว่าเวลาเขาเกิดอาการเช่นนี้ขึ้นจะต้องทำยังไงมั่งมีเสียงเคลื่อนไหวรอบตัวต่อมาก็มีแบงเกตผืนหนามาคลุมที่ตัวเขาจมูกได้กลิ่นควันไฟและศีสะของเขาที่พาดอยู่กับตักใครคนหนึ่งบัดนี้ถูกยกลงพาดกับผ้าอ่อนนุ่มที่พับทบกันให้สูงขึ้นมาแทนหมอน ละทุกสิ่งทุกอย่างที่สงบเงียบไปจากประสาทสัมผัสทุกชนิดของเขาอีกวาระหนึ่งมือทั้งสองรวบประสานกันไว่วาง อ, อกเริ่มจะตั้งสติสวดภาวนาได้ภายหลังจากสับสนอินละเวงมึนงงไปหมดชนิดจับต้นชนปลายไม่ถูกมิช้ามินานก็สามารถที่จะควบคุมธาตุทั้งสี่ภายในกายไว้ได้ เริ่มอบอุ่นขึ้นเลือดลมเดินสะดวกความวิงเวียนปวดศีรษะบันเทาแต่ยังรู้สึกอ่อนเพลียและง่วงอยากจะพักผ่อนต่อไปหนังตาก็ยังหนักลืมไม่ขึ้นอยู่เช่นนั้นระพินพริกตัวมาเป็นนอนหงายเหยียดยาวแต่ยังหลับตาพักอยู่ในครั้งนี้ มือทั้งสองจากการประสานกำเข้าหากันแน่นเปลี่ยนมาเป็นยืดนิ้วออกแล้วพนมบนญ อ, อกอ้าวสวดเข้าเอาให้ครบพันแปดร้อยคาบจะได้ปลุกเสกก้อนกลวดให้กลายเป็นเครื่องรางของขลั ง, งแบบเกจีอาจารย์แจกจ่ายสานุสนิตได้เลยจะโทษทีนะผู้กอง รครบพันแปดร้อยคาบเมื่อไร่ผู้กองก็ต้องนอนพนมมืออยู่แบบนี้ไปอีกอย่างน้อยสามวันสมาธิของเขาเสียไปซะแล้วอยากเสียงสัพพย่อกระเซาเยาแย่ที่แววมนันแกแกมันไอมานพจญจริงๆไอแงี้ซ้ายหาดงอ้าวอๆอ้าแล้วกันเห็นเพื่อนผู้ร่วมเป็นร่วมตาย ลายเป็นมารพจนไปซะและ้วก็เสือโคล่ามาทำลายสมาธิของฉันทำไมคนกำลังสมาธิภาวานาอยู่ไม่เห็นนีไ่ไงแง่าสายหัวเราะเอามือข้างนึง่งรูปเส้นผมตนเองที่ยาวเป็นคลื่นจดท้ายทอยขณะที่นั่งอยู่บนก้อนหินเตียเต้ยๆด้านปลายเท้าเขาเธอผู้กองอเอาแค่พอให้คุ้มภัย<ไ>บรรเทาจากโรคภัยไข้เจ็บก็พอแล้วนี่ ผู้กองมือถือไรเฟิลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาสนับไม่ทวนแไรมือเดียวกันนี่แหละกรพนมสวดชินะบัญชรมันไปด้วยกันไม่ได้รอเขาเรียกอะไรดีเนาะอ๋อมือถือสากปากถือสีงยังไงล่ะโอ้ยผู้กองนี่ขำนี่นี่นฉันว่าจะไม่โกรธไม่จะไม่ด่ากันแล้วทีเดียวนะแงาทราย อ้าวอก็อย่าโกรธจะด่าสิเจอหน้าก็แพ่เมตตาให้สีนี่พรกันมั่งไม่ได้ไงเออถ้างั้นก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธอไปอผูกกองแงซายยังไม่ตายเลยนะเนี่ยโอ้ยพรอะไรกันพันอย่างนี้ก็หม่รู้อ่ะแต่แกยังไม่ตายแล้วทําไมถึงมาคอยหลอกคอยหลอนฉันได้อย่างนี้เป็นประจําทีเดียวฮะแงสายแยกเขี้ยวขาว พุกองถึงไม่มาก็มาได้ถึงไม่ตายก็มาได้คนดีมีวิชาศิษย์มีครูเสีอย่างว่าแต่ผู้กองเฮิมีอะไรดีก็เตรียมงัดออกมาใช้หมดได้แล้วรู้เปล่าศึกครั้งนี้นะมันใหญ่หลวงนะเกงจริงก็รอดไม่เก่งจริงก็ดับครั้งนี้เป็นครั้งวัดดวงเลยน่ะยิ่งกว่าคราวไปตามนายชดซะอีก แต่ก็ไม่เล้วนักรับขนาดโน้มน้าวจูงใจเอาธิดาหน้าคราาให้มาเอ็นดูเป็นมิตรได้นี่ก็ต้องนับว่าเก่งเกินคนละจีเพื่อจะขอมรักผลสวัสดีภาาแห่งชีวิตนะไม่เป็นไรรอกอย่าไปเกี่ยวเขาละกประเดี๋ยวยุบหน้ากะเทวีนริตรายยิ่งกว่าแม่ผมทองบวกแม่ผมแดงบวกแม่แสงโสมตั้งล้านเท่า ถ้าเกิดใจใจผู้กองเข้ามาไหล้วก็เสร็จแงแก่ไม่มีทางกระดิกได้แล้วแหละไอ้บ้าฉันรู้ตัวเองดีว่าฉันเป็นใครแล้วเธอผู้นั้นเป็นใครคนอย่างฉันนั้ไม่ได้กระร่อนอย่างแกนี่อ้าวอ้าวอ้าอ้าเห็นมาไปไปมาๆก็วกมาด่าไงสายจนได้สิปากท่องมนต์น่ะดีแล้วแต่ปากดาน่ะไม่ดี เขาเรียกว่าปากเป็นกาละกินีเฮ้ยแต่ฉันลุก <to> ขึ้นมาได้แล้วก็อย่ายาอย่ายาเชี่ยววาจีกรรมต่อแงซสายก็มีแล้วมโนกรรมก็มีแล้วอย่าให้ถึงกับมีบาปทางกายกรรมอีกเลยนะขอเดนี่นอกจากจะมาคอยกวนโทษศัพ ยั่วยาวกระซ้าแย่ฉันเวลาที่ฉันนอนแบบแย่อย่างนี้แหละก็ะเคยไหมคุณอะไรกับฉันมั่งมหเนี่ยไงทรา ย, ายอ้าวก็มานั่งคุยเป็นเพื่อนแกกลุ้มอยู่นี่ไงใ น, น, นระหว่างที่ยังคุยกับใครไม่ได้ยังไม่เรียกว่าให้คุณอีกเหรอผู้กองต้งงโทอย่าเคร่งเครียดนักเลยนะหัดหมีอารมณ์ขันไวม้มั่งผู้กองระพินหัวรอเออ ฉันจะเชื่อแกว่าอารมณ์ขันในขณะที่น้ำตาตกในไอ้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมให้เปลืองที่ตาผู้กองเขาอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้อีกทะลึ่งไม่หายเลยนะแกทะลึ่งกว่าสมัยก่อนอีก แงาสายอมยิม้มผู้กองสมัยก่อนนี่นะมนนนะไม่ทะลึงนนล่งหรอกแต่กะเชื่อดผู้กองเล ย, ย, นเลยจนกระทั่งผู้กองเคยรำพันอยู่ในใจว่าฟ้าให้ระพินมาเกิดแนละ้วฉไหนจึงให้แง่สายมาเกิดนี่นั่นไงล่ะแล้วกกเชื่อฉันลงไหมวะเอาผู้กองก็เก่งกว่าผมนี่วาครับ ลองของออกไปเท่าไหร่ก็เห็นแก่ตกทุกทีนี่ไม่ใช่แก่ตกอย่างเดียวฉันยังไปช่วยแกทำปฏิวัติรัฐประหารเอาบาลังคืนม้แกด้วยนี่ไม่จะปฏิเสธเจ้าอดีตชาวดงพเนจรคู่ปรับเก่ายิ้มพลายก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนี่ผู้กองบุญคุณของผู้กองน่ะสูงท่วมหัวผม ถึงได้ทิ้งไม่ลงยังไงอ่ะเออแล้วบ้านเมืองแกตอนนี้เป็นไงมั่งวะเขาคุยด้วยตามปกติเงาสายเบ้ปากแย่ครับไม่ทิ้งงบประมาณไม่ลงเห็นจะต้องรีบภาษีประชาชนนี่และคณ <class ic> ะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจประชุมกันละประชุมกันอีกยังนึกไม่ออกว่าจะเรียกเก็บภาษีอะไรอ ผลิเอามาหมดมหมทุกทางแล้วคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของแกน่ะมันโง่ยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่ควรจะเก็บได้แล้วแต่ยังไม่ได้เก็บมีอะไรมั่งล่ะผู้กองที่ควรจะเก็บะ่กบะก็อากาศที่หายใจเข้าไปแสงตะวันแสงเดือนยังไงอะ่ะประชาชนได้ใช้ฟรีๆอย่างไม่ยุติธรรมเลย รัฐบาลเมืองมรกนครของแกนะ่ะควรจะเรียกเก็บภาษีได้แล้วนะแงาสายดีดนิ้วปะนี่สิฟ้าให้แง้สายมาเกิดแล้วยังส่งรพินไพร์วันให้มาเกิดอีกเออผมเห็นจะต้องเชิญผู้กองให้ไปเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชะแล้วละเนี่ยฮิมัวแต่พูดไร้สาระอยู่นั่นแหละแงาสายบอกหน่อยสิพรุ่งนี้ ฉันควรจะตั้งเข็มใบหน้าไปทางไหนดีวะวกตัดายหน้าน้องน้ำแห้งไม่ดีกว่าแล้วผู้กองนี่กันเลิกพูดเล่นนเทีอะฉันต้องการความช่วยเหลือชี้นำจากแกจริงๆนะถ้าเป็นไปได้รพินพูดเคร่งขรึมแงส า, ายเอามือรูปคางทำท่าไตรตรองเดี๋ยวนี้นะ ขอคิดดูก่อ น, อ น, อนแต่ไม่กลับจริงเหรอผู้กองเดินหน้าจริงเหรออ้าวแกก็รู้นิสัยฉันดีอยู่แล้วนี่แง่ทรายสมมุติว่าว่านหญิงมารอคอยอยู่ที่หนองน้าแห้งหรือว่าเสียงชีวิตวติดตามมาข้างหลัง ล, ล่ะเนี่ยนี่อย่าพูดไรสาระแง่ทรายเขาพูดเสียงเบา กำเก่าเนาะอะไรต่ออะไรมันก็ให้มีเหตุบางตาไปสะหมดงซใจเองก็ฝืนกฎแห่งกรรมของใครไม่ได้ซะด้วยสิเอีด้ดึกดึกคืนนี้เราจะพบกันอีกครั้งถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้ผมไปก่อนดีกว่าน่นแม่หมอผมแดงนะเดินมาแล้วหลอนจะมาตรวจดูอาการของผู้กองอีกครั้ง พยายามไม่แข็งแรงซะเร็วๆเฮ้ยประเดี๋ยวโดนน้าเกลือคืนนี้จะลำบากรับรองว่แม่เจ้าประคุณนั่นกฝ่ายนายจ้างทั้งหมดอะดกผู้กองเต็มที่เลยเพื่อจะได้ใช้งานต่อไปผู้กองอะเจ็บก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้พวกนั้นไม่ยอมหรอกแล้วแล้วก็ะทําทำเป็นละเมอคว้าไปถูกอกหรือถูกอะไรเขาล่ะจะเป็นอาบัตไปสักก่อน เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิเขาหลุดปากออกมาเต็มเสียงรพินลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เห็นก็คือใบหน้าของอิสเบรที่กำลังก้มลงมองและเขย่าไหลเขาอยู่ในอาการปลุกไรวันไอ้คุณเออไว้ายอะไรผมผมรพินหลุดเสียงผ่านริมฝีปากออกมาได้ เบิกตากว้างพยายามมองไปรอบตัวแล้วก็มาหยุดที่อเมริกันสาวผมแดงผู้กำลังจ้องสังเกตสีหน้าอยู่ในระยะใกล้มีอะไรเหรอเบนหล่อนยิ้มยิ้มเอามืออังซอกคอเขาฉันรู้สึกว่าคุณจะลเมอเรียกหาใครสักคนหนึ่งกำลังฝันนะระพินไคร พรานใหญ่หายใจแรงๆแล้วดึงกายขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วมือทั้งสองเสยผมขณะนั้นตะวันอ่อนแรงลงเต็มทีแล้วมีกองไฟก่ออยู่ใกล้ๆตัวเขาอยู่หลายกองบริเวณที่พักของนายจ้างและพวกลูกหาดทั้งหลายดูเหมือนจะถูกกำหนดขึ้นตรงบริเวณข้างเคียงโดยรอบที่เขานอนหมดสติด้วยพิษไข้นั่นเองแต่ในขณะนั้นก็คงมีแต่เบลคนเดียวที่เข้ามาอยู่ใกล้ชิด คนอื่นๆดูจะมีภารกิจของตนในด้านตราเตรียมรับกับราตรีการที่ย่างใกล้เข้ามาหลอนทรงผ้าขนหนูสะอาดชุบน้ำอุ่นผสมโอดิโคโลนไปให้เขาเขารับมาลูบเช็ดใบหน้าอันเป็นมันย่องนั้นใช่เบลผมกาลังฝันฝันได้สาระอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อกี้นี้ผมส่งเสียงเออะออกมาเหรอ เบนพยักหน้ารบพินเป่าลมออกจากริมฝีปากแข้งผาดและเอามือโบกปัดลงอย่างรำคาญตัวเองถามว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับบ่ายสี่โมงกว่าแล้วล่ะคุณรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นมากแล้วครับเกือบปกติแล้วเขาบอกผลักผ้าห่มที่ซุ้มกองอยู่บนตัวเขาออกไปขยับกาย มองกวาดหาถามต่อมาว่าแล้วนี่คุณของผมไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยพวกพรางของคุณนะกำลังหงหาดูเหมือนเขาจะช่วยกันเคี่ยวซุปจากเนื้อสันกวางที่เสยยิงได้เพื่อเตรียมไว้คุณอยู่ตอนนี้ไม่หนาวไม่มึนหัวแล้วใช่ไหมระพินระพินถอนใจยาวอีกครั้งฉันเข่าก้มหน้า เอามือลูปเส้นผมของตนเองอยู่เช่นนั้นผมมันเป็นคนมีเวรมีกรรมอยู่กับไอ้โรคประจำตัวชนิดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแหละไปขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อนั้นพอสางก็เหมือนกันไม่ได้เป็นอะไรหวังว่าพวกคุณคงจะไม่ตกใจอะไรมากนักนะครับเบียนยักไหล่นิดหนึ่งเราคุ้นเคยกับการของคุณดีแล้วละระพิน คอยระวังแต่เฉพาะโรคแทรกซ้อนเท่านั้นแหละขนาดที่หล่อนกล่าวทุกคนของฝ่ายนายจ้างรวมทั้งเชิดบุตรเริ่มเดินตรงเข้ามาหาพร้อมกับร้องทับกระพินเงยหน้าขึ้นยิ้มแห้งแรงกับทุกคนแล้วเอี้ยวกายบื้บิดตัวอย่างเมื่อยขบทุกคนสบายใจได้แล้วครับผมปกติเหมือนเดิมนะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยครับ คริตินานั่งลงบนก้อนหินที่ระพินเห็นแง่ายนั่งอยู่ก่อนและรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเอามือเท้าคางมองมาเงียบคิดสแตนลีและเชิดวุฒิเข้ามาสอบถามอาการของเขาแล้วหันไปสอบถามกับหมอเบลในฐานะแพทย์แล้วคนเหล่านั้นก็มีสีหน้าแจ่มใสขึ้นเมื่อหมอเบลบอกให้ทราบว่าไม่พบอะไรที่ผิดปกติเกินกว่าอาการธรรมดาของไข้จับสัน มันเป็นโรคประจำกายของเขาเชิดวุฒิหันไปร้องตะโกนอะไรกับพวกพรานพื้นเมืองครูเดียวบุญคำก็เดินถือชามพลาสติกขนาดย่อมๆบรรจุน้ำซุกที่เคี้ยวจนข้นขลักจากเนื้อกวางส่งกลิ่นหอมฉุยนำมาตั้งให้ตรงหน้านายไม่เป็นไรแล้วฟื้นตัวเร็วกว่าที่เคยเป็นซะอีก ยาหมอแหม่นนี่แน่จริงๆเอาๆกินซุปเนื้อสันกวางนี่ซะก่อนจะได้มีแรงนายแกบอกพร้อมกับอาการหัวร่อดูไม่วิตกกลงบนหรือตื่นเต้นอะไรนักเพราะความเคยชินรู้อาการกันดีอยู่แล้วเขานิ่งมองชามซุปนิ่งเฉยอยู่เสียงหมอเบยงกาชับไมคคุว่าควรจะมีอาหารรองกระเพาะไว้ก่อนนะคุณ พรามียากินหลังอาหารส่วนอาหารค่ำน่ะเราค่อยกินพร้อมกันภายหลังตอนนี้ก็พอประทับประทังไปก่อนตั้งแต่มาถึงนี่คุณยังไม่ได้แต่ต้องอาหารอะไรเลยคุณจอมพรานเองขณะนี้ก็กําลังระโหยอ่อนเพลียและก็หิวเมื่อเป็นคําสั่งจากแพทย์ประจําคณะเช่นนี้เขาก็จําต้องปฏิบัติตามก้มหน้าก้มตาตักซุปเข้าปากจนเกือบหมดชามพอเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง เบลก็ส่งยาเม็ดสีและลักษณะต่างๆกันสามเม็ดมาให้พยักหน้าบอกให้กลืนซะรับพินรับมาแล้วมองหน้านี่เบลผมจะกินยาทุกชนิดที่คุณให้นะแต่ขออย่างเดียวอ่ะอย่าพยายามให้ยาสะกดหรือยานอนหลับกับผมนะเพราะอะไรพวกคุณก็คงรู้ด่แล้วคงไม่ต้องให้ผมอธิบายยาวกว่านี้นะ นี่คุณคนป่วยหรือฟื้นจากป่วยเพิ่งรู้สึกตัวขึ้นมาน่ะไม่มีอะไรมันจะดีไปกว่าพยายามให้นอนพักผ่อนมากๆนี่คือหลักของแพทย์นะคุณแล้เวเธอฉันก็รู้ทันในความต้องการของคุณรับรองว่าจะไม่มียานอนหลับอยู่ในจํานวนที่ให้นี่หรอกอย่างมากก็แค่ประเภทยากล่อมประสาทไม่คิดอะไรวุ่นวายมากท่านั้นแหละ